บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปวัตถุประสงค์ในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมหาสติปฐานานสูตรข้อสุดท้ายนั้นทรงใช้คำบาลีว่านิปานสสะสจิกิริยายะ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งเรื่องของพระนิพพานนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาเป็นกุศลระดับโลกุตระคืออยู่เหนือโลกแต่ก็ทรงแสดงปฏิปทาที่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจะสัมผัสส่วนหนึ่งของนิพพานในชั้นนั้นๆได้ ข้อนี้จะเห็นได้ว่าธรรมะทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลนั้นมีเชื้อหรือธาตุอยู่ภายในใจของคนแล้วทั้งนั้นส่วนที่เป็นกุศลนั้นได้ทรงแสดงเพื่อให้บุคคลเสริมสร้างจากส่วนที่มีอยู่ให้เข้าถึงความสมบูรณ์ส่วนที่เป็นอกุศลนั้นก็ทรงสั่งสอนให้บุคคลพยายามละ จากเล็กๆน้อยๆไปจนถึงละได้โดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลจากการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือเข้าถึงความสงบงระงับตับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์โดยสมบูรณ์เป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ไม่ว่าจะโดยพบโดยกำเนิด่ังไรก็ตามเพราะว่าชีวิตเราเมื่อเริ่มด้วยความเกิดแล้วต่อไปความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นก็จะติดตามมาความทุกข์ซึ่งปรากฏขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็จะผูกพันชีวิตบุคคลอยู่ตลอดไปจนถึงต้องประสบความทุกข์ในสังสารวัฏ ถูกขังไว้ในสังสารวัตรไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการดับอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อดับอวิชชาลงไปแล้ววิชาคือความรู้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าวิชาจะปรากฏเกิดขึ้นในที่ใดก็ตอบได้ว่า เกิดขึ้นในจุดที่เคยมีอวิชชานั่นเองซึ่งเหมือนกับแสงสว่างปรากฏขึ้นในจุดที่เคยมีความมืดแต่เมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นแล้วความมืดเหล่านั้นก็จะอันตรธานไปจะปรากฏร่วมกันไม่ได้ลักษณะของวิชาซึ่งเป็นผลออกมาเป็นนิพพานนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน นิพพานโดยความหมายที่เต็มรูปจริงๆได้ทรงแสดงไว้เป็นสองนัยะด้วยกันนัยยะแรกเรียกว่าสอุปาธิเสสะนิพพานแปลว่าดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันเหลืออยู่โดยอาธิบายในที่ทั่วไปนั้นหมายถึงพระอริยบุคคลระดับที่เป็นพระราหัน ซึ่งท่านบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วยังมีชีวิตอยู่ความนิพพานคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ของท่านในช่วงนี้เรียกว่าดับกิเลสแต่เบเจขันต์คือชีวิตยังมีอยู่อีกพวกหนึ่งนั้นเรียกว่าอนุปาทิเสส น, นิพานคือดับทั้งกิเลสทั้งเบญจขัน เช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพานเป็นต้นพูดง่ายๆว่าพระอราหันต์ตายนั่นเองแต่ว่าสอุปาทิเสสนิพานและอนุปาทิเสสนิพพานซึ่งเป็นชื่อเฉพาะนั้นในที่บางแห่งท่านอธิบายว่าสอุปาทิเสสนิพพานนั้นหมายถึงการดับกิเลส ข, ของพระอาริยบุคคล จากโสดาบันเป็นต้นไปคือพระอริยบุคคลระดับต้นที่เรียกว่าโสดาบันนั้นแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสะแห่งปณิพานหมายความว่าเมื่อบรรลุเป็นระโสดาบันแล้วจะไม่ตกต่ำอีกต่อไปจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติบางท่านที่มีอุปนิสัยบา ร, รมีแก่กล้า ก็จะตายและเกิดอีกคราวเดียวก็จะเป็นพระอาหารหันต์แล้วกิเลส ท, ที่ท่านละได้ในสมัยที่ยังเป็นประสดติบันอยู่นั้นทรงใช้คำว่าอากุปธรรมคือไม่กำเริบอีกต่อไปลักษณะของกิเลส ท, ที่ละได้แล้วไม่เกิดกำเริบขึ้นมานั้นแม้สาธุชนทั้งหลายทั่วไปก็สามารถพิสูจน์ทดสอบได้ด้วยตัวเองว่า กิเลสที่ตนละไปแล้วนั้นไม่กําเริบจริงๆแต่การที่จะไม่กําเริบขึ้นมาได้นั้นจะต้องอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเป็นประการสําคัญถ้ายังไม่เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องเหล่านั้นกิเลสที่ละไปแล้วก็เกิดกําเริบได้ข้อนี้พึงดูตัวอย่างในสมัยเป็นเด็กๆนั้น เมื่อเห็นตุกตาข้าวก็อยากได้ร้องให้ต้องการตุกตานั้นมาเล่นและในความรู้สึกของเด็กนั้นตุกตาก็คือเพื่อนคือสิ่งที่มีชีวิตจะต้องอาบน้ำป้อนข้าวห่มผ้าให้เวลานอนเป็นต้นนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเด็กไม่รู้ยังมีอวิชาในเรื่องเหล่านั้นอยู่แต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีวิชาคือความรู้ว่ามันเพี้ยนเป็นเพียงตุกตาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจอะไรถึงแม้จะเห็นตุกตาในตอนหลังก็ไม่อยากได้ไม่ต้องการที่จะซื้อขามาที่แสดงว่าเกิดความรู้ขึ้นในจุดนี้กิเลสคือความทะยานอยากในตุกตาก็ดับไปเป็นความดับเป็นนิพพานในช่วงหนึ่งที่ทรงใช้คำบาลีว่าสันทิติกะนิพพาน คือนิพพานที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองและนิพพานในลักษณะนี้เองที่บุคคลสัมผัสกันได้ในชีวิตปะจําบันได้แก่การดับกิเลสดับอารมณ์ดับความขุ่นข้องหมองใจที่เกิดขึ้นด้วยสติบ้างด้วยสัมปชัญญะบ้างไม่กิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นกรุ่มรุมใจแต่การดับในลักษณะนี้บางเรื่องก็ยังเป็นกุปปธรรม คือคำเริ่มจบแต่บางเรื่องถ้าหากว่าเกิดยานคือความรู้ขึ้นมาจริงๆเป็นความรู้ในระดับทั่วๆไปไม่ใช่ความรู้ระดับบำเพ็ญเพียรตามองค์อริยมรรคก็สามารถที่จะทำให้กิเลสเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลเคยสู่ปุรีเคยดื่มสุรามาในการก่อน ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของบุรีของสุราแล้วก็เลิกละโดยเด็ดขาดไปเลยถ้าหากว่าตัดขาดได้จริงๆแม้ได้กลิ่นของสุรากลิ่นของบุหรีก็จะเกิดความอึดอัดไม่ต้องการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องและเห็นคนดื่มสุราคนสูบบุรีไปไปดื่มสุราไปสูบบุรีข้าวก็เกิดความกรุณาสงสารแก่บุคคลเหล่านั้น ที่ประทุสร้ายตนเองด้วยนำสิ่งเป็นพิษเข้าไปสู่ร่างกายลักษณะเหล่านี้ถ้าหากว่าความรู้ในเหตุผลสำหรับเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นชัดเจนจริงๆ จ, จ, จ, จะไม่หวนกลับเข้าไปสู่บุรีและดื่มสุราอีกต่อไปเป็นต้นนี่ก็ถือว่าเป็นการดับกิเลสในจุดหนึ่งซึ่งไม่กำเริบได้เช่นเดียวกัน แต่สำหรับพระโสดาบันนั้นไม่กำเริบได้ข้ามภพข้ามชาติคือหมายความว่าแม้ท่านจะไปเกิดในภพในชาติต่อไปแต่กิเลสที่ท่านละได้แล้วจะไม่มีอย่างในกรณีของพระโสดาบันนั้นละกิเลสที่ตัดขาดไปสข้อคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาแบ่งเป็นพวกเราพวกเขาเป็นต้นก็ไม่มี วิจิกิรฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระตนตรัยเป็นต้นได้ตัดขาดไปแล้วจึงไม่มีความลังเลสงสัยไม่ว่าปัจจัยภายนอกจะกระตุ้นจะเร่งราวออกมาในทางที่ให้เกิดความเครื่อนแคลงสงสัยอย่างไรก็ตามแต่เนื่องจากท่านตัดความสงสัยได้กิเลสสายนี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้และเกิดขึ้นไม่ได้ตลอดไป ข้อต่อไปคือการเชื่อถือในเรื่องศีลเรื่องวัดเรื่องข้อปฏิบัติที่เข้าใจกันว่าครังว่าเข้าใจกันว่าศักดิ์สิทธิ์โดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาท่านตัดขาดและเป็นการตัดขาดในลักษณะที่ทรงใช้คำว่าอกุปธรรมคือไม่กำเริบเพระาะฉะนั้นสอุปาธิเสสนิพานีในยะหนึ่งนั้นอธิบายหมายถึงการบรรลุมรรคผล ของพระอริยบุคคลทั้งสี่พวกคือพระโสดาพระสกิตาคาพระอนาคาและพระอระหันต์แต่ว่าถ้าอธิบายโดยนัยนี้อนุปาทิเสสนิพานที่ดับทั้งกิเลสดับทั้งเบญจขันนั้นแปลว่าดับโดยไม่เหลือซึ่งอุปชิคือกิเลสจุก็มุ่งหมายถึงพระอระหันต์ แต่การอธิบายพระนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเวลาทรงแสดงอถอ ธ, ธิบายลักษณะของนิพพานบางคราวจะทรงแสดงในทรรนองปฏิเสธเช่นว่าโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ณภิกษุทั้งหลาย ถ้าพูดเป็นสำนวนที่ฟังออกจะเป็นสำนวนทางปรัชญาไปหน่อยก็คือว่านิพพานคือสภาวะที่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในจุดซึ่งเคยมีกิเลสนั่นเองหมายถึงว่าจิตใจของบุคคลเมื่อก่อนนั้นก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอยู่แต่เมื่อทำลายกิเลสหมดสิ้นไปแล้ว นิพพานก็ปรากฏขึ้นในจุดนั้นอย่างที่พระพุทธมีพระภาคเจ้ารับสั่งเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ทรงใช้คําว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นอวิชาหมดไปเรื่อยไปแล้วจนในที่สุดอวิชาแต่ละจุดนั้นได้หมดไปโดยสิ้นเชิง พระองค์ก็กลายเป็นพระอาหารหันตสมาสัมพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งบางคราวทรงแสดงถึงสภาวะที่ไม่มีตัวตนเราเขาไม่มีกิเลสตัณหาก็ใช้คำว่านิพานังประมังสุญญังแปลว่านิพานเป็นความว่างอย่างยิ่งถ้าจะถามว่าว่างจากอะไรคือว่างจากความยึดความถือ ว่างจากตันหาอุปาทานในสิ่งต่างๆเยี่ยงสามัญสามั ญ, ญชนทั้งหลายบางคราวแสดงในรูปของความสุขเช่นนิบานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขซึ่งก็หมายความว่าความสุขนั้นมีอยู่หลายชั้นด้วยกันแต่ว่าชั้นยอดจริงๆนั้นไม่มีการเจือโดยวัตถุสิ่งของแต่ประกาศใด ที่นันใช้คำว่านิรามิตสุขคือสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรไม่เจือด้วยกาม m ุ k u ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยวัตถุทั้งหลายจัดเป็นพวกบรมสุขบางครั้งจะแสดงในรูปของจิตที่สงบระงับดับกิเลสได้ว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเจนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสงบในที่นี้พึ่งเห็นจากตัวอย่างดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นเช่นว่าบุคคลที่ละเลิกการดื่มสุราการสูบบุหรี่เพราะเห็นโทษและตัดได้อย่างเด็ดขา ด, ดแม้ใครจะมานั่งดื่มสุราต่อหน้าหรือว่าสูบบุหรี่ต่อหน้าก็ตามแต่ว่าจิตจะไม่มีความอยากความใคร่ความต้องการที่จะสูบสิ่งเหล่านั้น ท่านผู้บรรลุนิพพานก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อท่านบรรลุนิพพานแล้วญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นแก่ท่านว่าชาติคือความเกิดในภพใหม่ต่อไปของท่านนั้นหมดสิ้นแล้วกิจที่ท่านจะต้องทําเกี่ยวกับการละความชั่วบําเพ็ญความดีก็จบสิ้นแล้วทําไมจึงชื่อว่าจบสิน้นเพราะว่าความชั่วที่ต้องละ ไม่มีให้ละอีกแล้วความดีที่ต้องกระทาก็ไม่มีให้กระทาอีกแล้วการทำงานของพระอระหันต์หลังจากบรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วท่านใช้คำว่ากริยาจิตตังคือสักแต่ว่ากรยาเท่านั้นเองไม่ก่อให้เกิดเป็นบุญอะไรสำหรับท่านเพราะเรื่องของบุญในโวหารศาสนานั้นท่านเรียกว่าเป็นวัตกามีกุศล คือกุศลที่จะนำคนให้ประสบความสุขในวะตะแต่พอถึงชั้นนิพพานท่านไม่เรียกว่าบุญแต่ว่าเรียกว่ากุศลเป็นโลกุตรกุศลลักษณะของนิพพานจึงเป็นธรรมะตามนยะแห่งธรรมคุณบทสุดท้ายที่ว่าปัจจตังเวดิตบโบวินยูหิอันบินยูชนพึงรู้เฉพาะตน คืออธิบายกันไม่ได้บอกกันไม่ได้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาทรงแสดงจะทรงเน้นเฉพาะหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานมีน้อยที่จะแสดงถึงสภาวะของนิพพานทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็คล้ายๆกับการจะอธิบายถึงสีต่างๆของภาพของต้นไม้ของภูเขาเป็นต้นให้คนตาบอดฟัง อธิบายอย่างไรก็อธิบายไม่ได้เพราะพื้นฐานความเข้าใจในด้านสีของคนตาบอดไม่มีหรือการจะอธิบายรสอาหารให้คนซึ่งยังไม่เคยลิ้มรสอาหารนั้นเข้าใจก็อธิบายไม่ได้จะบอกได้ก็แต่ในลักษณะคร่าวๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปรุงอาหารนั้นขึ้นแล้วรับประทานก็จะรู้ประจักษ์ชัด ด้วยตัวของตัวเองความสุขในนิพพานก็มีลักษณะอย่างนั้นข้อนี้พระเทระอรหันระดับพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนคือที่สละราชสมบัติออกผนวดแล้วบรรลุอรหันต์เป็นพระหัน์มีอยู่สองท่านที่ชอบเปล่งวาจาเวลานั่งอยู่ในที่ต่างๆว่าอาโหสุขขังอโหสุขขังซึ่งแปลว่าสุขหนอสุขหนอ ภิกษุทั้งหลายนั้นคิดว่าท่านบนรำพันถึงสุขในราชสมบัติดามมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเพื่อให้ท่านแสดงถึงความสุขในนิพพานท่านบอกว่าท่านปราลรนิพานในสุขว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงเพราะในสมัยที่ยังเป็นพระราชาอยู่นั้นแม้จะประทับในพระราชวางัง มีทหารห้อมล้อมให้ความอารขาอยู่เป็นนันมากก็าตามแต่ความหวาดระแวงความสะดุ้งความเกรงกลัวต่อพยานอันตรายก็ยังไม่ได้เลือนหายไปจากจิตใจความหวาดระแวงจะเกิดขึ้นอยู่เสมอจากศัตรูภายนอกบ้างจากคนที่ใกล้ชิดบ้างแต่เมื่อบรรลุเป็นพระอระหันต์แล้ว จะอยู่ในที่ใดก็ไม่มีความหวาดไม่มีความสะดุง้งอาการที่เคยขนลุกพองเพราะความหวาดกลัวต่างๆก็สงบลงไปซึ่งเป็นความสุขอย่างยอดจริงการเปรียบเทียบระหว่างความสุขชั้นโลกิยะกับชั้นโลกุตระที่เรียกว่า น, นิพานสุขนั้น <c oughs> จะเห็นได้ว่า ความสุขในชั้นของโลกยาเป็นความสุขระดับของการเกาแผลที่ขันคือหมายความว่าต้องเพียรพยายามตอบสนองอยู่ตลอดเวลาเช่นจิตทะเยอทยานอยากได้รับประทานอาหารที่ใจไปกาหนดว่าอร็ดอร่อยต้องทะเยอทยานดิ้นรนไปแล้วก็รับประทานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสุขเพราะการรับประทานอาหาร หรือจิตใคร่ปรารถนาที่จะหลับนอนเมื่อได้ไป น, นอนในสถานที่เหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความสุขเป็นต้นเป็นการเกาแผลที่คันคือต้องเกาอยู่ตลอดเวลาจึงได้รับความสุขจิตใจของบุคคลที่แสวงหาสุขขั้นโลกิยะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องเพียรพยายามตอบสนองความต้องการของตนที่เกิดขึ้นอยู่ร่ำไปหาข้อยุติไม่ได้ และความสุขที่เข้าใจกันว่าเป็นสุขนั้นในช่วงหนึ่งในโอกาสหนึ่งความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจก็จะเกิดขึ้นเกิดเบื่อหน่ายในเรื่องเหล่านั้นแล้วไขวยคว้าความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปส่วนความสุขในด้านของพระนิพพานนั้นเป็นอมะตะคือเป็นความสุขที่เข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปน และไม่มีความสุขอันใดที่บกพร่องอันจะต้องเพิ่มเติมให้เกิดขึ้นเพราะเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ลักษณะเหล่านี้เองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาแต่เมื่อกล่าวถึงนิพพานแล้วผู้ศึกษาก็จะพบได้ว่าในชั้นหนึ่งของชีวิตประจำวันนั้น อย่างที่กล่าวมาในตอนต้นว่าธรรมะทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทรงแสดงไว้จะต้องมีเชื้ออยู่แล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นนิพพานในระดับของชีวิตประจําวันนั้นจึงเป็นเรื่องที่บุคคลจําเป็นจะต้องสร้างให้บงังเกิดขึ้นและรู้ความหมายของนิพพานว่านิพพานคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกเพลิงทุกนั้นเป็นผลมาจากเพลิงกิเลส เพราะฉะนั้นตัวการที่จะต้องดับจริงๆ จ, ง จ, งจึงอยู่ที่เพลิงกิเลสเวลากระทบอารมณ์อะไรต่างๆได้โดยเฉพาะอารมณ์ที่ก่อให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนั้นถ้าหากว่าบุคคลมีสติระลึกรู้เท่าทันต่อโทษต่อความรุนแรงแห่งกิเลสเหล่านั้น เช่นตัวอย่างความโลภที่เกิดขึ้นธรรมดาว่าความโลภที่เกิดขึ้นนั้นทรงแสดงว่าเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายคนดีๆพอเกิดจากได้อะไรรุนแรงออกไปพร้อมที่จะโกหกพร้อมที่จะเบียดเบียนคนอื่นพร้อมที่จะลักจากขโมยเป็นต้นจนทาให้เสียคุณธรรมความดีหรือสมบัติผู้ดีของตนไป แต่เมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านั้นบุคคลพิจารณาเห็นโทษของความโลภได้ก็บรรเทาความโลภเหล่านั้นลงไปจิตใจก็จะเกิดความสงบความเยือกเย็นปรากฏขึ้นดังนั้นในชีวิตประจำวันการเพียรพยายามสร้างนิพพานให้บังเกิดขึ้นจะเป็นหนึ่งในแสนในหนึ่งในล้านก็ตามของนิพพานที่แท้จริง เป็นความจำเป็นเพราะการเป็นเพราะสร้างจิตให้เสพคุณกับความสงบระงับกิเลสทั้งหลายเมื่อสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นจากความสงบระงับกิเลสแล้วสันท้าคือความพอใจในความสุขความสงบเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นความเพียรพยายามเพื่อสร้างความสงบระงับความสุขก็จะติดตามมา ความเอาใจใสการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาก็จะหนุนเนื่องเข้ามานำพาวิถีชีวิตของบุคคลให้ดำเนินไปสู่ความสงบระงับดับเพลิงกิเลสมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ในตอนหนึ่งว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุข กรณีจะเห็นได้ว่าความโกรธนั้นถ้าหากว่าเกิดขึ้นสัมแดงอาการทางใจของบุคคลก็ลร้าเรอนร่างกายก็วิปริตเปลี่ยนแปลงไปกิริยาอาการก็ขิดผิดปกติไปแม้หน้าตาเป็นต้นก็เปลี่ยนแปลงไปความไม่ส ง, งบในลักษณะต่างๆก็บังเกิดขึ้นถ้าหากว่ากระทําอะไรไปตามอํานาจของความโกรธ เวนภัยที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นความสงบสุขในชีวิตของคนก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นในช่วงนี้บุคคลจะสัมผัสสันทิกะนิพานคือนิพานที่ตนเห็นได้กันในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าสามารถฆ่าความโกรธได้ความไม่เศร้าโศกก็จะบังเกิดขึ้น การอยู่เป็นสุขก็จะบางเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายซึ่งแสดงออกมาตามอำนาจของบาปของอกุศลมากพระพุ้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้บุคคลเอาชนะกิเลสคือความไม่ดีที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกมาเช่นว่าให้ชนะความไม่ดีของเขา ด้วยความดีของเราข้อนี้จะเห็นได้ว่าเฝ่าไฟหนึ่งไม่ดีมาไฟหนึ่งไม่ดีไปก็เหมือนกับไฟกับไฟมาบวกกันแต่ถ้าหากว่าไฟหนึ่งไม่ดีมาฝ่ายหนึ่งดีไปก็เหมือนกับน้ำไปดับไฟในที่สุดความร่ารรอนต่างๆก็ยุติลงความเยือกเย็นก็จะบางเกิดขึ้นเป็นทำนองการล้างพื้นที่สกรปรกด้วยน้าที่สะอาด ซึ่งโอกาสที่พื้นจะหายไปหายสกปรกนั้นก็มีได้หรือให้ชะนะความโกรธคนโกรธด้วยความไม่โกรธตอบเรื่องโกรธกับไม่โกรธตอบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าฝ่ายหนึ่งโกรธมาฝ่ายหนึ่งโกรธไปเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ไม่อาจจะประสานให้คืนดีกันได้แต่ถ้าหาข้อยุติด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธตอบ เรื่องเบียดเบียนเวรภัยทั้งหลายก็จะยุยติลงในขณะนั้นนี่ถือว่าเป็นความดับเพลิงกิเลสในช่วงหนึ่งเป็นลักษณะของสันทิฏฐิกะนิพพานคือดับการเห็นจะจะในขณะนั้นๆในปัจจุบันนั้นๆการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในระดับนี้ทรงใช้คำบาลีอีกคำหนึ่งว่าตาังกะวิมุต คือหลุดพ้นจากกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามถ้าหากว่าหลายครั้งหลายคราวเข้าในที่สุดความเข้มแข็งทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นทานองเดียวกับหยดน้ำตาลที่หยดลงมาจากงวงตาลทีละหยดทีละหยดหยดไปเรื่อยในที่สุดภาชนะที่รองรับก็จะเต็มไปด้วยน้าตาลน้านําวัน กิจใ จ, จของบุคคลที่พยายามสร้างกุศลคือความดีให้บางเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นในชั้นของการประพฤติปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงเอารูปของช่างทองที่ขยจัดสนิมซึ่งเกิดซึ่งปนอยู่ในทองนั้นรับสั่งว่าให้บุคคลขยจัดกิเลสซึ่งเป็นบนทินใจให้ออกทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับช่างทองขจัดสนิมที่มีอยู่ในทองเช่นั้นเมื่อขจัดไปบ่อยๆสนิมทีละเล็กทีละน้อยนั้นจะค่อยๆออกไปความเป็นทองก็จะปรากฏเกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของบุคคลซึ่งเพียรพยายามขาจัดกิเลสในชีวิตประจำวันก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นนั้นคือความผ่องใสแห่งจิตจะปรากฏขึ้นจิตผ่องใสามากเท่าไหร่ บาปอากุศลก็ถอยร่นทางไกลออกไปม้ากเท่านั้นนิพานนั้นคือสภาพของจิตที่พ่องแพ้วโดยสมบูรณ์ปราศจากอาสวะกิเลสนั่นเองเรื่องของนิพานจึงมีอยู่เป็นหลายชั้นอย่างที่ว่ามานี้อย่างน้อยที่สุดก็มีอยู่สามชั้นด้วยกัน และชั้นที่บุคคลจะต้องทดสอบพิสูจน์ในชีวิตประจำวันก็คือชั้นของการใช้สติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลก็ให้สงบระ ง, งับเสียให้ได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจแล้วบุคคลก็จะสัมผัสความสงบเย็นอันเกิดขึ้นจากการดับกิเลสเหล่านั้น และการกระทำแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นไม่ได้สูญหายไปในที่ไหนแต่เป็นการเพิ่มเชื้อของความสงบระงับให้บังเกิดขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งปริมาณของความสงบระงับก็จะสูงขึ้นการปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าใกล้นิพานในรูปที่สมบูรณ์เข้าไปทุกขณะข้อนี้พึงเห็นตัวอย่าง การศึกษาและเรียนหนังสือในชีวิตประจำวันนั้นก็เป็นเรื่องการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่เมื่อความรู้เกิดขึ้นในจุดใดความไม่รู้จะเลือนหายไปในจุดนั้นเริ่มมาจากตัวกอไก่ขอไข่กันทีเดียวพอเริ่มรู้จากกอไก่ความไม่รู้คืออวิชชาในกอไก่ก็หายพอเริ่มตัวขอพอรู้เข้า อวิชาในตัวขอก็หายเกิดเป็นวิชาขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้เรื่อยอย่างนี้ในที่สุดอาศัยการผสมเล็กผสมน้อยที่บุคคลได้เก็บมาแต่ละขณะที่เรียนหนังสือนั่นเองความรู้ในหนังสือต่างๆก็บางเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นเรื่องที่ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปเรื่อย